หกอุปาทา น, นทุกะสปัจญยวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย 12. สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่รามุปาทานทำทิฏฐุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันที่ไม่เป็นอุปาทานทำอาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่อุปาทานทำขันที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอุปาทานธรรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอุปาทานและจิตตสมุทฐานนรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองอุปาทานธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตาสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอุปาทานและจำปยุตตขันธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสิบสสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทาน ทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่กามุปาทานทำทิฏฐุปาทานและจำปยุตตะขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทิฏฐุปาทานทำการมุปาทานและจำปยุตตขัน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักรไยกามุปาทานทำทิฏฐุปาทานและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักรไน สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและทำอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองพึงทำเป็นจักรนัยจิตตะสมุท า, า, านรูปทำอุป า, าทานและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ข e ันท um. hmm. you know, like. ี่ไม่เป็นอุปาทานทําอุปาทานและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสามกรรมุปาทานและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและทำที่ฐุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงทําเป็นจักกนัย กามุปาทานและสัมปยุติขันทำทิฏฐุ ป, ปาทานและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักรไนและถึงเพราะอารมณปัจจัยในอารมณปัจจัยบทที่มีสภาวธรรมซึ่งไม่มีอุปาทานเป็นมูลเพิ่มเพิ่มอายตนะห้าและหาไทยวัตถุเฮตุปัจจัยมีกลาวว่าอารมณปัจจัยมีกลาวว่อาอธิปติปัจจัยมีกลาวว่า ทุกปัจจัยมีปัจใจละเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระอนุโลมจบ14สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุถูกปัจจัยได้แก่ละถึงทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทานในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุถูกะ เพิเพิ่มข้อความเชนถึงอสัญิสัตถปรมจากขวิญญาณทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันท oh ี่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทานธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทะจะทำขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหะรโคดยอุทะจะ และธรรมธาตยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงณปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระและถึงนกรรมปัจจัยมีสาวาระณวิปากปัจจัยมี9้าวาระ เหมือนกับปฏิจจวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจนิยจบการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้หกสิบเก้าปุปาทานทุกะห้าสังสัทวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปั จ, จัจสิบห้า สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานเกิดระคนกับทิฏุปาทานทิฏุปาทานเกิดระคนกับกามุปาทานพึงทำเป็นจักกนัยโดยในนี้พึงเพิ่มเป็นก้าวาระเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรรมณะปัจจัยมีก้าวาระมัธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบ 16. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดรกรกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเพราะนาเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดรกรกับขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทาน และถึงเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุทุกขะโมหะที่โสหรคูด้วยวิชิกชาและที่สหะรคตด้วยอุทัจจะเกิดรักควรกับขันที่โสหะรคตด้วยวิชิกิชาและที่สหะรคตด้วยอุทัจะทจนะนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าทิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระหนะปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระหนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระ ณอาศัยวณปัจจัยมีเก้าวาระนะกรรมปัจจัยมีสามวาระนะวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนะชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนะมะคระปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะวิปิุตะปัจจัยมีเก้าวาระปัจจ尼ยะจบรารนับสองอย่างนอกนี้และสัมบุญตวาระพึงทำอย่างนี้ ปารทนทุกะเจ็ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยสิเจสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะอุปาทานโดยเหตุปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตปปุตุปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เ<ะ>ป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ส<บ>ัมปยุตตะขันอุปาทานและจิตตะสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจใจสิบแปสภาวธรรมที่ไ <SP> ม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตะอุปาทานโดยเหตุตุปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทานรูปโดยเหตุุปปัจจัยสิบเก้า สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตอุปาทานโดยเหตุุปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูล ท ah anyway> ี่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป really ็นอ in ุปาทานเป็นปัจจ oh ัยแก่สัมบยุญตขันอุปาทานและจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยยี่สสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบอุปาทานอุปาทานจึงเกิดขึ้นมีสามวาระเพิงเพิ่มคำว่าเพราะปรารบ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคาจจจาาะจึงเกิดขึ้นทิชฌ์จึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาอุทจฉาโทมณะจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมเวดีแล้ว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 ที่ไม่เป็นอุปาทานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนั์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุฟังเสียงด้วยที่ประโสงทาตรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นอุปาทานด้วยเจโตปริยายานอาก า, า, นานจานัญายตนะเป็นปัจจัยแข่วิญญาณาาัญญยตนะอาคินัญญายตนะเป็นปัจจัยแขเนวสัญญาณสัญญายตนะรูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จกักรวิญญาณโทหทพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขั น, นธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อีทิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปักษาญอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลนกุศลนั้นเพราะปรารบความยินดีเพลเพินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลเพินจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานเพราะปรารบความยินดีเพลเพลนจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้น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 เพราะปราลบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นอุ ป, ปาทานและสัมยุญตขัน์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระเ พ, เพิ่มคำว่าเพราะปรารบอธิปติปัจจัยยีสอสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทาน โดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปฏิได้แก่เพราะทําอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอุปาทานจึงเกิดขึ้นมีสมวาระมีเฉพาะอารมณนาธิปฏิปัจจัย 22. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปฏิและจหัาตาธิปฏิ อารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและถึงพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นกินดีเพลิดเพลินพระอริยออกจากมากแล้วพิจารณามรกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและถึงเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปฏิ ป, ฏปัจจัย บุคคลยินดีเพื่อเพลินจากสุหไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพื่อเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแค่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานใรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทาน เป็นปัจจัยข่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและจะหฌ า, าตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพล่ดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพล่ดเพลิกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุอาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นศาสตาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สัมบูญตัอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอุิปติปัจจัยมีสองอย่างคือธรรมนาธิปติและสหชาตาธิปติธรรมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วพิจารณาฌานละถึง ยินดีเพลิดเพลินจากสุขอาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอุปาทานและสัมยุญตขันจึงเกิดขึ้นสหาจาตาธิปติได้แก่วัตถิปฏิธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขันอุปาทานและจิตตสมุทานรูปโดยอธิปฏิปฏัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยทิฏิปัจจัยมีสามวาระโดยอารมนาธิฏิปัจจัยมีสามวาระเ พ, เพิ่มคำว่าเพราะปรารภมีเฉพาะอารมนาทิฏติปัจจัยอ น, นันตระปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสาม สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอนันตราปัจจัยได้แก่อุปาทานที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อุปาทานที่เกิดหลังๆโดยนันตราปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลอุปาทานที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตราปัจจัยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยนันตราปัจจัย เพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลอุปาทานที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่อุปาทานและสัมปยุตขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยยี่สิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันท์ที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันท์ที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเกิดหลังๆังโดยอนันตรปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูพละสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ม pues mm teachers, nah ไม่เป็ kan. นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น是是อุปาทานโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอุปาทานซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่อุปาทานโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเกิดกัอจุบนเป็นปัจจัยแห่อุปาทานและสัมพยุตขันธ์ที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่อุปาทานและสัมพยุตขันธ์โดยอนันตรปัจจัยยี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอนันตราปัจจัยได้แก่อุปาทานและสัมปยุตตขันที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่อุปาทานที่เกิดหลังหลัโดยอนันตราปัจจัยเพื่อเพิ่มบทที่เป็นมูลอุปาทานและสัมปยุตตขันที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทานซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัย อุปาทานและสัมปยุตขัน์เป็นปัจจัยแห่งวุฐานะโดยอนันตรปัจจัยเพื่อเพิ่มบทที่เป็นมูลอุปาทานและสัมปยุตขันที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแห่อุปาทานและสัมปยุตขันที่เกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยสมมันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชาชาติปัจจัยเหมือนกับปิติจาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิจยาปัจจัยเหมือนกับปัจจยาวาระอุปาณิสยาปัจจัยี่สิบหสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจใจแห่งสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาณิสยาอนันตารูปปาณิสยาและปกระตูปาณิสยาปกระตูปาณิสยาได้แก่ อุปาทานเป็นปัจจัยแก่อุปาทานโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระยีสิเจ็สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารหมโูปะณิสยาอนันตูปะณิสยาและปะกะตูปะณิสยาปะกะตูปะณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเถอทิฏฐิ มาศีลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะถือทิฏฐิฆ่าสัตว์ทำลายสงศธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สัตธาพละสมาบัติโดยอุปาณิยัยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอุปาณิยัยปัจจัยมีอย่างเดียว เคยประกาตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเธอทิฐิอาศัยศีลเซนาสนะแล้วลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาเซนาสนะเป็นปันจจัยแก่อุปาทานโดยอุปาณิสยปัจจัย เพิ่อเพิ่มบทที่เป็นมูลบุคคลอาศัยศรัท ธ, ธาแล้วมีมาณะเถอทิฐิอาศัยศีลเสนาสนะแล้วลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลี่ยวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัท ธ, ธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแห่อุปาทานและสัมปยุตขันโดยอุปานินียปัจจัย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 โดยปุรชาติปัจจัยมีสองอย่างคือธรรมะบุเรชาตะและวัตถุบุเรชาติธรรมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสธทาตุโรปายตนะเป็นปัจจัยแห่งจัก ข, ขู่วิญญาณโพธภายตนะเป็นปัจจัยแห่งกายยวิญญาณ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 อารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพื่อเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพื่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวัตถุบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อุปาทานโดยบุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจเจกแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทาน โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณ์ปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นอุปาทานและสัมยุญตขันจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อุปาทานและสัมยุญตะขันโดยปุเรชาติปัจจัย ปัจฉชาตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัยยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยปัจฉาชาตปะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและท em ี่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นปัจจัยแ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อและถึงเป็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจจัยกรมมปัจจัยสาสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตและนานาคเนกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สจำปยุตตะขันและจิตตสมมุทานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคเนกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกระตั้ตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นป one, ัจจัยแก่สัมปยุตตอุปาทานโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแ cool ก่สภาวธรรมที่เป yes. ็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันอุปาทานและจิตตสมุทานรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้นสาเอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยวิปากบปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นอุปาทานมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระมีเฉพาะเกเรียนกระหารอย่างเดียวเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระรูปชีวิตอินรีมีเพียงหนึ่งวาระเท่านั้น เป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะอุปาทานโดยมรรคปัจจัยโดยเหตุนี้เพิ่มเพิ่มเป็นเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตะปัจจัยสาสิบสอง สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยวิบยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉาชาตะาสหชาตะได้แก่อุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยวิบยุตตะปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อุปาท า, า, านที่เกิดภายหลังเป็นปันใจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตะปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและท ah> ja ี่ไม่เป็นอุปาทานโดยวิปวิตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อุปาทานและสัมยุญตขัน์โดยวิปวิตตปัจจัยสาสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยวิปวิตตปัจจัยมี2อย่าง คือสชาติและปัจฉาชาติสชาติได้แก่อุปาทานและสัมปยุตตขัน์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบิยุตตะปัจจัยปัจฉาชาติได้แก่อุปาทานและสัมปยุตตขัน์เป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยวิบิยุตตะปัจจัยอธิปัจจัยสาสบสสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทาน โดยอธิปัจจัยได้แก่ทิฏฐปาทานเป็นปัจจัยแก่กามปุปาทานโดยอธิปัจจัยพึงทรรเป็นจักะนัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉ า, าชาตะสหชาตะได้แก่อุปาทานเป็นปัจจัยแก่จำปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยอธิปัจจัย ปัจจ า, าชาตะได้แก่อุปาทานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปัจจัยย่อเหมือนกับปฏิเจาวาระสามสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่าง คือสหชาตะบุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะย่อพึงขยายให้พิดารสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือชหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะเหมือนกับชหชาตะปัจจัยบุเรชาตะเหมือนกับบุเรชาตะปัจจัย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 มีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชารตะสหชาตะได้แก่ทิฏฐปาทานและสัมปยุตขันเป็นปจขขัจจัยแก่กวามมุปาทานโดยอธิปัจัยพึงทำเป็น จ, กนจ um, ักปณัยสหชาตะได้แก่ทิฏฐปาทานและหาไทยวัตถุเป็นปจัจจัยแก่กามมุปาทานโดยอธิ ป, ปัจัยพึงทำเป็นจักปณยสภาวะธรรมที่เป็นอุ ป, ปาทานและที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทาน เป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสชาตะาุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทริยะชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและอุปาทานเป็นปัจจัยแห่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขัน 2. สองชาตะได้แก่อุปาทานและมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตแผ่สมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสัชาตะได้แก่อุปาทานและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อุปาทานและสัมปยุทธขันธ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อุปาทานสัมปยุทธขันธ์และโกลเลนกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่อุปาทานสัมปยุตตขัน์และรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแขกตัดตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่ง <Eine. S 1> ที่ไม่เป็นอุป <c oughs> าทานและทิฏฐปาทาน เป็นปัจจัยแข่ขันสามกรรมุปาทานและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองพึงทำเป็นจักขยัยสหาหชาตะได้แก่ทิฏฐุปาทานและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยเก่กับกมุปาทานและสัมยุญตขันโดยอธิปัจจัยพึงทำเป็นจักขไนหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไน สาเจ็ตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระมาทิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุเรชาติปัจจัยมีสามวาระ ปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอสิวะนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระ นัตติปัจจัยมีย้าวาระวิคตะปัจใจเมีย้าวาระอวิคตะปัจใจเมีย้าวาระอนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระสาสิบสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโดยอรมณ์ปัจใจชาติตาปัจจั ย, าาจจยและอุปาเนสยาปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยและปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอรมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสามสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย40สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและ Adam, ที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที hari, life, ่เป็นอุปาทานโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย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 โดยอารมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย 2. ปัจญยปัจญิยะสองสังคยาวาระสี่สิบเอ็ดนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระสปัจจญานุโลมปัจจนียะสี่สิบสอง ณอารามณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนณิสยปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระนณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัถิปัจจัยมีเก้าวาระโนวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ ส ป, ปัจจยปัจนิญานุโลม43ามอารมณปัจใจัำนาเหตุตปัจใจเมียก้าวาจจาวาระอธิปติปัจใจเมียก้าววาระเพิ่เพิ่มบทอนุโลมมาติกาและถึงอวิคตะปัจใจเมียก้าวาระอุปาทานทุกกะจบเจอุปาทานิยทุกะ 1. ปฏิจจวาระ4ี่ิบส สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง พึงทำเหมือนโลกิยะทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันอุปาทานิยธทุกกะจบ